เขาบอกว่าถ้อยคําทั้งหลายเนี่ยให้รู้เทอะว่าอยู่ที่ความประสงค์ของผู้พูดนะเขาพูดประสงค์อะไรเนี่ยนะอย่าไปติดในคําจนเกินไปเนี่ยนะดูดีว่าเขาต้องการพูดอะไรเขาต้องการสื่ออะไรให้เอาตรงนั้นเข้าไว้นะครับยานทั้งสองเหล่านี้ชื่อว่าอัญญาตาวินสี อ, นนะอรหัตผลนั่นแหละอรหัตผลนะจะเรียกว่าขยะยานก็ได้อนุปาทยานก็ได้อัญญาตาวินสีก็ได้จะเรียกอะไรอีก อันนี้เป็นอรหัตผลนะนะบรรดาอินทรีย์เหล่านั้นอินทรีย์เหล่านี้คืออนัญญาตัญญยสมีตินทรีย์และอัญญทรีย์ย่อมดับแก่บุคคลผู้บรรลุอรหัตผลอันเป็นผลเลศิศสรุปว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสะกธาคามีมกักสกทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลอรหัตมักดับหมดที่ไหนดับหมดที่อรหัตผลว่างั้นเถอะถึงอรหัตผลนี่จบหมดเลยนะมักก่อนกผลก่อนก่อ น, อนดับหมด ในบรรดาญาณเหล่านั้นญาณทั้งสองเหล่านี้คือขยะญาณและอนุปปาทยานเป็นอรหัตผลปัญญาอันเดียวกันอันเดียวกันนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าในปฏิสัมพิธามมัช ก, กับในอัตตาลีนีอนุปาทยานหมายถึงผลญาณขยะญาณหมายถึงมัขญาณแต่ในที่นี้ทั้งขยะญาณและอนุปาทยานหมายถึง อรหัตตผลลยานหรืออรหัตตผลปัญญาอย่างเดียวถึงแม้อรหัตตผลปัญญาอันเดียวก็ได้ชื่อ2 อ, อย่างโดยชื่อของอารมณ์คือขยะและอนุ ป, ปาทะฐ์อรหัตตผลปัญญาของบุคคลผู้รู้ว่าเราสิ้นการเกิดแล้วชื่อว่าขยะยานส่วนอรหัตตผลปัญญาของบุคคลผู้รู้ว่ากิจคือการเจริญมักเพื่อประโยชน์แก่ มรรคกิจ16ประการอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่เราอันนี้ชื่อว่าอนุปาทยานจริงๆแล้วตัวขยะยานอนุปาทยานเนี่ยนะเป็นอรหัตผลปัญญาแต่เป็นเหตุใกล้ของปัจเจกขณะยานปัญญาที่มาพิจารณาว่าสิ้นการเกิดสิ้นการเจริญมรรคปัญญาที่มาพิจารณาอ น, นั้นเป็นปัจเจกขณะยานเนี่นะเพราะอารหัตผลยานมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยนะ ทวนนิดหนึ่งนะว่าถ้ามีผู้ถามว่าเอ๊ะพาสอาหารเนี่ยสิ้นการเกิดแล้วเนี่ยนะหมายถึงชาติอดีตอนาคตหรือชาติปัจจุบันที่ท่านไม่เกิดอนาคตต้องละด้วยเหรออนาคตมันยังไม่เกิดต้องละด้วยเหรองั้นก็รีบไปดับทุกข์ที่ยังไม่เกิดเลยอ่ะเอาละชาติอดีตรหรือเปล่าไม่เพราะดับไปแล้วละชาติปัจจุบันไหมไม่ใช่ก็เติมแล้วละชาติไหน คือถ้าบอกว่าอดีตคือสิ่งที่เคยมีแล้วใช่ไหมอนาคตคือสิ่งจักมีปัจจุบันคือสิ่งที่กําลังมีอ่านไอันนี้คือหลักเขาเป็นอย่างนี้นั่นก็ถามว่าแล้วท่านบอกว่าพระอรหันเนี่ยชาติสิ้นแล้วอ่ะชาติไหนท่านสิ้นเราก็แมเราไปคิดแต่ชาติหน้าอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนชาติหน้าอ่านไหเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราก็ไปดับในสิ่งที่ยังไม่ทันเกิดสิ แต่ว่าถ้าคิดแบบนั้นนะแบบว่าชาติอนาคตอนาคตเนี่ยถ้าแบบว่าอตีธาธรรมมาธรรมที่เคยเกิดแล้วใช่ไหมอนาคตาธรรมาคือธรรมที่จักเกิดปัจจุบั น, นาธรรมมาคือธรรมที่กําลังเกิดเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยจิตเนี่ ย, ยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นละอะไรก็บอกว่ามรรคเนี่ยเนื่องจากว่าอาริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อนิพพานเป็นอารมณ์ขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นสมุดเฉดกิเลสใช่ไหมตัดกิเลส ถ้ากิเลสดับอะไรดับกรรมก็ดับถ้ากรรมดับ ก, การเกิดจากมีไหมไ ม, ไม่ไม่มีเนี่ยนะก็เหมือนกับสมมติถ้าเรามีมาเมล็ดขนุนมเมล็ดมะม่วงอยู่นะเราก็เอาเม็ดมาคั่วให้มันสุกหรือมาต้มให้มันสุกเนี่ยนะถ้าต้มสุกเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเพาะไม่ขึ้นแล้วนะสิ้นชาติสิ้นพันธุ์แล้วเหมือนกันเถอะสิ้นสายพันธุ์งั้นพระอรหันต์ก็ลักษณะเดียวกันว่ า, าเมื่อท่านคั่วกิเลสให้มันสุกเนี่ยนะเผากิเลสจนสิ้นเชื้อหมดแล้วเนะี่ย ท่านก็รู้ว่ากิเลสอันนี้เป็นเหตุให้ทำำํกากรรมกรรมจะเป็นเหตุแห่งการเกิดเมื่อสิ้นกิเลสก็เท่ากับสิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็จบสิ้นการเกิดเนี่ยนะงนั้นก็ไม่ได้ไปคิดว่าเกิดเนี่ยมันจะเกิดที่ไหนเกิดเมื่ อ, อไรเกิดอะไรเขาไม่คิดแบบนั้นอันนี้อีกในหนึ่งคือคนที่จะละสังคตะธรรมได้คือคนที่ออกจากสังคตะธรรมจึงเรียกว่าละ น, นะหลักเขาเป็นอย่างนี้นะถ้ายังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นะยังไม่เรียกว่าละ เช่นสมถาวิปัสสนาทั่วๆไปเนี่ยยังอยู่กับสังคตะธรรมอยู่ก็เลยเรียกว่าไม่เรียกว่าละจริงเนี่ยนะแต่เมื่อมีอสังคตะธรรมเมื่อพ้นแล้วจึงเรียกว่าละถ้าถ้าเขาเปรียบเทียบนะว่าฝั่งนี้เนี่ยอันตรายมากฝั่งโน้นปลอดภัยคนที่ละฝั่งนี้ได้จริงต่อเมื่อถึงฝั่งโน้นใช่ไหมจึงจะเรียกว่าคนละฝั่งนี้คนถึงฝั่งโน้นทาไมเราเรียกว่าละฝั่งนี้ล่ะ เพราะคนที่พ้นจึงจะเรียกว่าละอันนี้นะแปล ว, ว่าละแบบอะออกจากสิ่งนั้นจริงๆนะออกจากจริงๆจงจเรียกว่าละย้อนมาหน้า23าเราต่อเนาะก็เท่าที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็คืออริยสัจสใช่ไหมทั้งในข้อ12ข้อข้อที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะ ที่พระชิตาท่านถามถึงอะไรถามถึงอนุปาทิเสสนิพานเนี่ยนะทีนี้อนุปาทิเสสนิพานเนี่ยก่อนที่จะดับวิบากและกรรมชรูปได้เนี่ยต้องบรรลุอริยสัจก่อนอริยสัจมีเท่าไหร่มี4คือทุกขสัจสองสมุทัยสัจสามนิโรธสัจสี่มัคสัจสัจจะสเป็นสังคตะคือทุกขสัจสมุทัยสัจมัคสัจเป็นสังคตะ นโรศสัจจะเป็นอสังขตะมกษัตริย์เนี่ยหน้าที่ของเขาคือละอะไรละสมุทัยสัตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่ใดถ้ากล่าวสมุทัยสัจที่นั่นเท่าเท่ากับกล่าวมกษัตริย์เป็นผู้ละที่ใดกล่าวมกษัตริย์ที่นั่นเท่ากับพูดถึงเป็นตัวที่ไปละสมุทัยสัตเนี่ยนะทีนี้สมุทัยสัจนั้นถ้าผู้มีพระภาคแสดงด้วยโวหารที่หลากหลายมาก บางแห่งใช้โอคะบางแห่งใช้โยคะบางแห่งใช้คันทะบางแห่งใช้นิวรณะบางแห่งใช้อนุสยัยบางแห่งใช้อนุสับว่าสังโยชตบางแห่งใช้สับว่ากิเลสของเรามีบุญมากนะเรียนหมดเลยเห็นไหมคอยดูนะักตอนบรรลุนี่เราปฏิสัมพิ t ากันหมดเลยนะครับเอ้าว่าที่ปฏิสัมพิทาก็อย่าไปนึกเหนื่อยอะไรนะ ทีนี้ในการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะผลของการบรรลุอริยสัจคืออะไรคือขยะยานกับอนุปาทยานขณะบรรลุอริยสัจจริงๆเนี่ยคือขณะมรรสีนีจึงๆๆๆๆๆเรียกว่าขณะบรรลุอริยสัจถาวมว่าเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าขณะนั้นเป็นการบรรลุอริยสัจเครื่องวัดก็คือขณะนั้นทํากิจของอริยสัจอยู่เช่นว่าทํากิจกําหนดรู้ทุกข์ทํากิจละ สมุทยัยทำกิจละทำกิจเห็นนิโรธทำกิจภาวนาเนี่ยนะในขณะที่ทำกิจสี่ประการนี้เรียกว่ามักการทำกิจสประการเนี่ยนะคือหนึ่งกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมักเนี่ยกิจสี่ประการเนี่ยทำรอบแรกเรียกว่าโสดาปฏิมักทํารอบที่สองเรียกว่าสกทธาคามีมักทํารอบที่สามเรียกว่า อนาคามีมรรคทำรอบที่สเรียกว่าอารหั ต, ตมรรคนั่นคือกิจ16เนี่ยนะเนี่ยคือกิจสิกิจสิคือมรรคกมรรคมรรคสีสมรรคนะโซดาสกะธาสี่มรรคทากิจกําหนดรู้ทุกละสมุไทยอย่างงี้ยสครั้งสี่คูณสีก็เท่ากับ16บหกอะ น, นะพอทำกิจ16นี้เกิดขึ้นอรหั ต, ตผลหลังจากอารหั ต, ตผลเกิดปัจเจกขณะยาณก็บอกเลยว่า บอกไม่ต้องทำกิจอย่างนี้อีกแล้วนะคือการทำกิจในการแทงตลอดอริยสัจก็เพื่ออะไรเพื่อละกิเลสกิเลสก็ละหมดแล้วเนี่ยนะทำกิจเพื่อกาหนดรู้ทุกในภูมิของท่านก็กาหนดรู้ทุกหมดแล้วเนี่ยนะเห็นนิพพานท่านก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจบแล้วนะพรหมจารนี้ก็เรียกว่าทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วนะถ้าจะอ่านเนื่องไปอ่านในพวก เทรคาถาอ่านในอัปปทานเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าโอ้ท่านจะดีใจกันโอยมีโมก8ดเนี่ยนะอภินยาหกวิชาสามปฏิสามพิทา4ีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราใกล้ชิดแล้วเราทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ผู้ที่เป็นผ้าฐานเขาจะพูดคำเหล่านั้ น, นี่ยของเราก็บอกออปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยดีจริงๆนะพ้นทุกข์ด้วยเอาบ้างเอาว้างเอาบ้างนี่มันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะ แต่ถ้าใครท้อแล้วได้ดีนะของมาจะได้ดีอยู่เหมือนกันไม่ใช่เอาแบบนั้นนะบอกว่าถ้าใครเบื่อนายหรือท้อแท้นะเผื่อจะได้บรรลุสักมรรคสองมรรคก็จะเอาบ้างอะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้คําถามเดิมทวนอีกครั้งว่านามรูปดับดับที่ไหนดับที่เมื่อวิญญาณดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับมางั้นเถอะง่ายๆนะเขาถามว่าปัญญาสติ นามรูปทั้งหมดเนี่ยดับที่ไหนวันให้พระพุทธเจ้าบอกที่ดับด้วยเถอะพระองค์ก็บอกว่าโอ้โน่นแหละนามรูปจะดับก็ดับที่วิญญาณดับนะครั้งก่อนบอกว่าถ้าดับกรรมมะวิญญาณก็เท่ากับดับวิบากกวิญญาณได้ทีนี้การที่จะดับกรรมมะวิญญาณได้มันต้องบรรลุอริยสัจสี่นะเพราะตัวอริยมรรคเป็นตัวดับกรรมมะวิญญาณเนี่ยนะ ก็มาสรุปว่าข้อสิบาว่าบรรดาธรรมะเหล่านั้นอุปาทานขันห้าชื่อวันนามรูปบรรดาอุปาทานขันห้าเหล่านั้นมู่ธรรมอันมีพรรษะเป็นที่ห้าชื่อวันนามคําว่าพรรษะเป็นที่หก็คือพรรษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะพรรษาปัญจกะนะเขานิยมแปลว่ามีพรรษะเป็นที่ห้าจริงๆก็คือมีพรรษะเป็นต้นนั่นเองพรรษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะของมาก็ มบีบุญเก่าให้ผลเขาเลยเอามาแจกเนี่ยมีด้วยหรือเปล่าเนี่ยภาษาปัญจกะจริงๆก็อยู่ในสัพพจิตตสาธารณะหนะก็ในสัพพะจิตตสาธารณะสีัภาษาเวทนาสัญญาเจตนาสแล้วใช่ไหมบวกกับจิตอีกหนึ่งก็เลยเรียกว่ามีภาษาเป็นที่ห้านะภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเป็นห้านะนี้เป็นนามอินทรีย์ห้าที่เป็นรูป ชื่อว่ารูปอินทรีย์ห้าที่เป็นรูปคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะจากขุนสีโสตินสีคาณินสีอนนี้เรียกว่าอินทรีย์ที่เป็นรูปแปลว่าจากขุเป็นอินทรีย์ที่เป็นรูปจากขุวิญญาณและสัมปยุตธรรมเป็นอินทรีย์ที่เป็นนามเนี่ยนะแล้วก็เป็นนั้นก็นามรูปทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยนะ ทั้งนามทั้งรูปนั้นเนี่ยนะนามสัมปยุตกับวิญญาณส่วนรูปเป็นวัตถุ ก, กับเป็นอารมณ์ของวิญญาณอันนใครทรงจำชะฉะกระสูดเป็นต้นได้กอ ง, ง่ายมากใช่อาศัยจกักโุกับรูปเกิดจากขุวิญญาณนำมาสามอย่างประชุมการเป็นภาษานี่แหละพรชิตะเมื่อจะถามว่า การดับวิญญาณและนามรูปนั้นอ่ะดับยังไงแบบนั้นเถอะจะดับได้ที่ไหนให้ช่วยบอกที่ดับด้วยเถอะเนี่ยนะแปลง่ายๆว่าเมื่อไหรจะเลิกมีตาจะได้เลิกเห็นสสียงเมื่อไร่จะได้เลิกมีหูเลิกฟังอนะเบื่อแล้วแบบนั้นนี่ยเบื่อแล้วเสียงเพลงเพราะๆไม่ใช่เบื่อคนบ่นนะเบื่ออย่างนั้นไทยก็เบื่ออยู่แล้วไอ้ที่เบื่อในที่นี้หมายถึงว่าโอ๊ยแม้แต่เสียงเพราๆก็ไม่เอาแล้วแบบนั้นเนี่ยนะเบื่อทานอาหารอร่อยอร่อยแล้ววบบนั้นพอแล้วเนี่ยนะ เบื่อเกิดในสวรรค์แล้วอ่า น, นั่นแหละเขาเขาถามปัญหาประเภทนี้มาใช่เขาเบื่อแล้วยเกิดมาทําไมมันทุกข์ขนาดนี้ไม่ใช่เหรอนั้นแต่ว่าก็ไอสิ่งที่ดีนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่ชั่วนะนมนมที่ส้มเนี่ยนมบูดเนี่ยมันเกิดจากนมอะไรก็นมไม่บูดนะเนี่ยเวาละอาหารที่มันเน่าอ่ะเกิดจากอาหารอะไรก็ดีอนะเพราะฉะนั้นที่ใดดีก็หลังจากนั้นก็ไม่นานก็จะเสีย เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเบื่อจริงๆก็เบื่อตอนดีนะตอนเสียใครก็เบื่อทั้งนั้นแหละมันนะมันก็เลยถามว่าจะดับดับหมดแตะไม่มีให้เหลือทาําไงทีนี้ทัก ท, ทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งว่าคําถามนี้พระอชิตะท่านประสงค์จะเอาข้อปฏิบัติแบบอิทธิบาทนําหน้าเราียกว่า จะตริตจตุริตที่ปารมุเขนอริยมัคคาทิขเมนะอนะปัตตพันติเนี่ยนะคือปกติเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะบางคนเนี่ยเขาศรัทธาที่จะเอาสติประธานนําหน้าบางท่านศรัทธาที่จะเอาสัมมาประธานนําหน้าบางท่านมีศรัทธาที่จะเอาอิทธิบาทนําหน้าบางท่านมีศรัทธาที่จะเอาอินทรีย์นําหน้าบางท่านเนี่ยมีศรัทธาที่จะเอาพระนําหน้า บางท่านมีศรัทธาที่จะเอาโพชงนําหน้าบางท่านจะเอามักนําหน้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโพธิบัคขยธรรมนี่แล้วแต่ใครจะศรัทธากลุ่มไหนที่จะเอานําหน้าผ้าชิตาเนี่ยเอาอิธิบาทนําหน้าเพราะฉะนั้นโอหอ่านแรกๆยากมากเนี่ยนะว่าเราเคยคุ้นแต่สติประธานนําหน้าสัมมาประธานนําหน้าอินทรีย์นําหน้าพระนําหน้าโพชงหรือมักนําหน้านี่แหมคุ้นเคยมากพอมาเจออิธิบาทนําหน้าเข้าไปเนี่ย นะที่อ่านแรกๆเงียบๆเลยจะว่าไงนี่งั้นก็เลยบอกว่าเอาอิธิบาทเป็นประมุกนะเอาอิทธิบาตเป็นแนวทางเนี่ยนะนั้นก็ในหน้า24ต่อไปก็จะอธิบายเป็นอิธิบาตเนี่ยนะนะเพราะว่าแนวทางการปฏิบัติของพระอาชิตะท่านศรัทธาอิธิบาตกว่ายังอื่น บรรดาในคาถาคําถามเหล่านั้นนะนะอย่างนี้ก็ยังวิจัยคําถามอยู่นะยังไม่ได้วิจัยคําตอบเลยยังอยู่ในวิจัยคําถามที่ว่ า, าปัญญาสตินามรูปเนี่ยดับสนิทในที่ไหนก็ทวนว่าสติและปัญญานั้นได้อินทรีย์สอย่างสติเป็นอินทรีย์สองอย่างปัญญาก็เป็นอินทรีย์สองอย่างสติเป็นสตินทรีย์และสมาธินทรีย์ปัญญาเป็นปัญญินทรีย์และวิริยินทรีย์ถามทําไมเป็นอย่างนั้นนะ ท่านก็บอกว่าสมาธิเนี่ยนะจะสําเร็จกิจโดยที่สติเนี่ยรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงสติสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยนะต้องมีสติเป็นเป็นผู้กากับมือันเถอะเป็นมีสติเป็นผู้ดูแลเพราะสติเนี่ยจะไม่ให้ตกไปในบาปอากุศลรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากล่าวสติก็เท่ากับกล่าวอินรีสองคือสตินซีกับ สมาธิสีส่วนปัญญาที่ได้อินรีสองคือปัญญินรีกับวิริยินรีท่านบอกว่าจะถอนอนุัสเนี่ยเว้นวิริยะแล้วอะ่ะมีไม่ได้ถ้าจะละอนุใสเนยจะละอนุัสเนี่ยตัวที่ละอนุสัยคืออะไรคือปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยขาดความเพียรได้ไหมไม่ได้เขาจึงบอกว่าถ้ามีดคมะนะเส้นขวานคมเนี่ยถ้าตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะฟันไปฉับเดียวไม่ขาดอยู่แล้วใช่ไหมก็ทาไงอะ่ะ ก็ฟันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆถ้าฟันแล้วขวานมันบินทำไงก็รับใหม่เทั้น โ, โยมนี้เก่งมากนะอย่างกถา็ถ้าอยู่เชียงใหม่ไม่แปลกใจเลยคือก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าอะไรก็จริงอะ่ะคือปัญญาเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนกับคมขวาน วิริยะเนี่ยเหมือนกับการฟันไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งสติกับสมาธินี่ยเหมือนกับหินเอาไว้รับเนี่ยนะเหมือนกับหินเอาไว้รับขวานเพราะฉะนั้นสติกับปัญญาเนี่ยสติถ้าว่าย่อๆคือสมถะนะปัญญาคือวิปัสนาเนี่ยเาฉนั้นบรรดาอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยนะการเชื่อกรรมและผลของกรรมหรือความเชื่อที่อย่างลงในพระตัตนะตรัยนี้เป็นสัตทินทรีย์ นี้ต่อไปนะว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะทําให้เกิดกตุกรร ม, มยตาฉันทะผู้ที่มีศรัทธานะจะทําให้มีกตุกรร ม, มยตาฉันทะแปลว่ามีความพอใจที่จะทําอย่างแรงกล้าอนนัคนที่มีศรัทธามาบวชถามมาบวชนหรือทนบวชบวชนนะนะถ้ามีศรัทธานําหน้านะพวกนี้ก็อยู่ได้นอนนะแต่พวกไม่มีศรัทธานําหน้าบวช น, นกันแตบบ่ว่าทนบวชอย่างนั้นนะ ดังนผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยพอใจมากที่จะทําอย่างนั้นคือเขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระทำทำให้เขาพ้นจากทุกข์ได้จริงพระสงฆ์ปฏิบัติข้ามวัตทุกขฏได้จริงเพราะฉะนั้นเขามีศรัทธานําหน้าเขามีกรรมสกตาชัดเจนเลยว่าถ้าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะงานเนี่ยวะัฏตะยาวแน่เห็นไหมถ้าไม่เชื่อพระรัตนตรัยนะโอ้แบกขันอีกนอนหแบบนั้นเถอะ นรกเราก็ยังไม่พ้นเปรตก็ยังไม่พ้นอสุรกายก็ยังไม่พ้นเดรัจฉานเราก็ยังไม่พ้นเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เห็นดีตรงไหนเหน็ดเหนื่อยกันขนาดนี้เหมือนกันเนี่ถ้าเกิดใหม่เนี่ยต้องมาหิ้วกับเปาเรียนอีกแล้วเลยเนี่ยเหมงอนันเนี่ยเนี่ยนะพ่อรุ่นปู่รุ่นยา่าเขียนตำราไว้เยอะเหลือเกินรุ่นเลนเรียนไม่วาดไม่ไหวเนี่ยนะก็รุ่นปูรุ่นยา่าสร้างอะไรไว้เยอะแยะไปหมดรุ่นหลานก็เรียนซ่อมอย่างเดียวเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วก็เกิดใหม่ก็เดือดร้อนอีกเสร็จแล้ว พระพุทธศาสนาก็อายุยืนไหมไม่ยืนบรถ้าไม่รีบเพียร น, นะทําไงกันนี้พุทธศาสนาก็จะหมดชาตินี้เราก็จะหมดเกิดชาติหน้ามาใหม่ก็ชาตินี้นะยังโคลศาสนาหน่อยนะชาติหน้าปลายก็ไปนี่อันนะี้เกิดชาติหน้านี้เลือกเอาจะประเทศไหนดียนะในโลกนี้เลือกประเทศไห น, ป ร, ไหนประเทศไทยนะี่อยู่จังหวัดไหนนะอีกนเลือกมีศรัทธาในพระศาสนาเลือกวัดไหนอีกนละ่ะ เลือกวัดแล้วไปเรียนอะไรอีก น, นี้เอาคันนี้จยุ่งมันกันนะวัดตาเนี่ย เ, ออเพราะฉะนั้นจะ ต, ต้องรีบอะไรนะรีบทากิตให้มันเสร็จนะบางก็เลยเรียกว่ามีศัทธ์ฉันทะนําหน้ามีศรัทธานําหน้าทีนี้ผู้ที่มีฉันทะอย่างนี้ทําเอกัคคตาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะมีมีฉันทะมีศรัทธาเนี่ยนะก็ทําเอกัคคตาให้เกิดขึ้นเอกัคคตาของอะไรของจิตก็เลยเรียกว่าจิตเตกัคคตา ที่มีศรัทธาเป็นใหญ่ซึ่งเป็นอินทรีย์เหล่านี้ชื่อว่าฉันทสมาธิคือเป็นสมาธิที่เกิดจากศรัทธาเนี่ยเเขาเขามีศรัทธานะคนมีศรัทธาคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตสงบเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีฉันทสมาธิเนี่ยนะคือสมาธิที่ทําฉันทให้เป็นใหญ่ฉันทสมาธินี้เป็นวิขมพระนปหารเป็นการละกิเลสละกิเลสแบบข่มเอาไว้เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ทําลายกิเลส คำว่าจิตตั้งมั่นแล้วทำลายกิเลสจิตตั้งมั่นก่อนนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงแต่ตรงนี้ลับไปเลยบอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำลายกิเลสมันเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ทำลายกิเลสตัวนั้นเป็นชื่อของว really like like pues ิป allora. yeah. ัสสนาสมาธิเห็นไหมจิตเป็นสมาธิก็อบรมวิปัสสนาต่อไปก็ทำลายกิเลสโดยการข่มไว้อันนี้เป็นชื่อของสมาธิใช่ไหมด้วยอำนาจการพิจารณาเนืองๆอันนี้เป็นชื่อของวิปัสสนา และด้วยการเจริญกรรมาฐานเพราะฉะนั้นพอมีฉันทาสมาธิก็อบรมสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปนี่นะก็อบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาในธรรมะเหล่านั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกวิจารสัญญาเวทนาธรรมะที่พระโยคีระลึกนึกถึงนี่นะสารสังกปะนี่นะชื่อว่าสังขารใน สังขารเนี่ยนะมีอยู่4ในนะหนึ่งลมหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารวิตกวิาจารเป็นวจีสังขารสัญญากเวทนาเป็นจิตตสังขารส่วนสระสังกัปปะคือบุคคลระลึกนึกถึงนะสิ่งที่นึกถึงอะ่ะพวกนี้ก็ชื่อว่าสังขารของมาก็ยังนึกไม่ออกว่าท่านยกขึ้นมาทำอะไรสองบรรทัดเนี่ยนะก็ไปดูในอัตถกะถาเผื่อจะเข้าใจเพิ่มก็งงหนักกว่าเดิมอีก อัตถกถาก็ที่บายอยู่สองบรรทัดภาษาบาลีด้วยก็เลยก็เรื่องนี้ยอมโง่ก่อนอนะก็รอว่ามีเขาแปลอัตถกถาแปลดีกาเผื่อจะเข้าใจบ้างว่าไอ้ยกสังขารสี่ประการเนี่ยขึ้นมาทําอะไรนะก็นึกไม่ออกเลยนะใครเข้าใจก็ช่วยสงเคราะห์พระด้วยนะจะได้บุญหลายประกาศอันนี้สงด้วยนะจะคลายกับจูชกนั่นเองจูช ก, กไปขออะไรนะขอลูกจากพระเวสสันดรเนี่ยนะเขบอกโอ้ยพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาแล้วพระองค์ได้ดีแน่นอน ประกาศอันนี้สองหมดนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าใครรู้ว่าทําไมเขาจึงเอาสังขารทั้งสี่ประการมาวางไว้ตรงนี้ก็ช่วยบอกด้วยในอิทธิบาทวิพังสังขารตัวนั้นเป็นชื่อของวิริยะอย่างเดียวเออถ้าวิริยะเราก็เข้าใจอนะแต่นี้ยกเนื้อมาเรื่องงงเลยเนะเกิมันสังขารคนลนยเพราะอย่างถ้าถ้าสังขารอันนี้นะ่จะเข้าใจคืออย่างหนึ่งว่าผู้ที่เข้าฌานสี่ดับลมหายใจเข้าออก ผู้ที่เข้าทุติยะฌานดับวิตกวิจารณ์ผู้ที่เข้าสัญญาเวทายตาเนโรดับสัญญาและเวทนาเนี่ยนะถ้าถ้าจะเชื่อมไปหาเรื่องนั้นก็พอเข้าใจแต่ว่าตรงนี้ก็เลยคือถมองว่าถ้าคือสามารถคิดได้หลายในอะนะแต่เรายังไม่เห็นคําอธิบายเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากคือทําให้คิดได้กว้างขวางอะนะ ท่านน่าจะชี้ให้เราเห็นบ้างว่าสังขารเหล่านี้ไม่ประสงค์นะประสงค์เอาแต่วิริยะอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะก็คือชี้ให้เห็นบ้างก็ได้แต่ว่าท่านไม่ชี้ให้เราดูเลยสรุปว่าตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกจนถึงธรรมะที่ระลึกนึกถึงชื่อว่าสังขารตรงนี้นี่ก็ของมาไม่ค่อยเข้าใจนะสองบรรทัดนเนี่ยฉันท่าสมาธิที่เรียกว่าวิขัพระะประหารเพราะข่มกิเลสซึ่งกล่าวไว้ข้างต้นเช่นนั้นก็ดี วิริยะสังขารเหล่านั้นก็ดีทั้งสองอย่างนั้นย่อมอ บ, บรมอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและวิริยะสังขารย่อมอ บ, บรมอิทธิบาทที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะและแก่กล้าเพื่อประโยชน์แก่ปริจาาักะโวศฆะและปักขันธะโวสัศฆะอันนี้หมายถึงว่าอ บ, บรมฉันทะสมาธิวิริยะสังขาร อันนี้เป็นอีกสำนวนหนึ่งนะจริงๆก็คืออบรมมหากุศลนั่นเองแต่เป็นมหากุศลที่มีฉันทะคือศรัทธานี่มีกําลังมากฉันทะมีกําลังเอกัคตาก็มีกําลังวิริยะเนี่ยมีกําลังเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มีกําลังเนี่ยเขาก็นิสิตแปลว่าอาศัยวิเวกวิเวกเนี่ยมีอยู่สามอย่างนะตรงนี้ยกวิเวกมาสามคือตะทางข้าวิเวกสมุทเฉทวิเวกและ นิสรณะวิเวกก็อบรมมหากุศลอันนี้อาศัยตัถังค่าวิเวกสมุทเฉทวิเวกนิสรณะวิเวกออิทธิบาทนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะหนึ่งจันทะสมาธิประธานสังขารเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเรียกว่ามี ฉันท่านำหน้าเนี่ยนะก็มีองค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งประธานสังขารท่าตามอิทธิปาท่าวิพังนี่หมายถึงวิริยะอย่างเดียวฉันท่าก็เท่ากับประกาศอะไรศรัทธาสมาธิก็เอกคตาคนที่อบรมอย่างนี้ขาดปัญญาได้ไหมไม่ได้อบรมคุณธรรมอันนี้อาศัยวิเวกวิเวกนี่มีสามหนึ่ง ตระงข้าวิเวกสสมุทเฉทวิเวก3นิสรณวิเวกตระทางควิเวกเป็นชื่อของวิปัสสนาสมุทเฉทวิเวกเป็นชื่อของอริยมรคนะนิสรณวิเวกเป็นชื่อของพระนิพพานตัวฉันทะสมาที่ประธานสังขารเมื่อกี้นี้บอกเลยใช่ไหมว่าเป็น วิขำพนะวิขำพนะวิเวกอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะก็แต่ว่าเจริญฉันทะวิริยะสมาธิพวกนี้เป็นคุณธรรมเนี่ยเป็นอุปนิสัยพวกนี้เป็นปกตูปะนิสยปัจัยนะประตูปนิสยปาปจัยคือกุศลธรรมที่น้อมไปเพื่อให้วิปัสสนาเนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นกุศลธรรมที่น้อมไปเพื่อ อริยมรรคเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้ด้วยคืออบรมฉันทาสมาธิเพื่อให้อริยมรรคเกิดต่ทางค้าเพื่อให้อริยมรรคคนที่มาเจริญอย่างนี้แสดงว่าเห็นโทษของสังขารเพราะฉะนั้นจิตจึงน้อมไปเพื่อธรรมะเป็นที่ออกจากสังขารคือพระนิพพานเนี่ยนะมันเจริญกุศลธรรมอันนี้อาศัยแต่ทางข้าวิเวกหนึ่งนะสงสมุทเฉทวิเวก3านิสรณวิเวก แสดงว่าเขามีศรัท ธ, ธาโอนไปหาโลกุตระธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใจของเขาน้อมไปหาอริยสัจอย่างเดียวคืออริยสัจที่ต้องการบรรลุคือสัจจะไหนคือมรรคสัจกับนิโรธสัจทุกสัจนี้ต้องการไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะสมุทัยสัจก็ไม่ค่อยกันดารอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรารถนาจริงๆก็ต้องโอนไปหาอริยมรรคกับนิโรธ นะผู้ที่แทงตลอดมรรคกับนิโรธเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าผู้เห็นอริยสัจได้อย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะส่วนอันนี้วิเวกก่อนนะต่อไปอะไรกสายวิเวกอาศัยวิราคะนิโรธวิเวกเนี่ยแปลว่าโดยศัพเนี่ยแปลว่าความสงัดนะมุ่งหาความสงัดด้วยวิปัสสนาด้วยมรรคกับนิพพานอันนี้เป็น วิเวกและก็อีกในหนึ่งวิราคาเนี่ยราคาปแปล ว, ว่าความกำหนัดวินำหน้าปฏิเสธก็ไม่กำหนัดนะถ้าจับถ้าถ้าปฏิเสธการจับเรียกว่าอะไรเรียกว่าปล่อยฝนเจริญสมถวิปัสนามุ่งปล่อยอย่างเดียวสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนี้รถคืออะไรคือสมุทยัยคือการสร้างใช่ไหมถ้าพวกธรรมดาอย่างเรา เ, ราเราทั้งหลายนียเราไม่รู้ตัวว่าเรานักก่อรสร้างอย่างดีเลย ธรรมดาเนะีคือสร้างอะไรสร้างวัตตะผู้ที่เจริญไปอย่างนี้มากๆเนี่ยไม่ต้องการสร้างอีกต่อไปไม่ต้องการสร้างวัตตะคือมุ่งจะดับวัตะอย่างเดียวนแต่ดับด้วยวิปัสนาดับด้วยมรรคและก็ดับด้วยนินพานทีนี้ทางก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าในขณะวิปัสนาเนี่ยนะเป็นตะทางฆ่ปาปาานแต่ รู้นิพานโดยเรียกว่ามุ่งนิพานโดยอุปนิสัยหรืออัธยาศัยจริงๆใช้คําว่าอุปนิสัยไม่ได้ใช้ว่าอัธยาศัยอุปนิสัยต้องไปหาสิ่งที่มีอยู่แบบแบบนั้นโดยอัธยาศัยหรือว่าอะไรเรียกว่าโอนก็ได้บางทีก็ใช้คําว่าโอนไปเอ็นไปโน้มไป อะไรเอนโอนโนมน้อมน่วงเน่า อ, อ, อ, อ, อะไรก็ว่ากันไปนะบางสูตรก็บอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับแม่น้ำคงคาไหลไปทางทิศ ป, ปัจจีนนะไหลไปเทศที่ไหนไหลไปลงทะเลฉันใดผู้ที่อบรมอันนี้ก็คือโอนมหาการแทงตลอดพระนิพพานอันนี้โดยอัยาศัยใสส่วนอรยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์โดยอารมณ์เคือที่เชื่อมตรงนี้ไว้จะได้ ดูข้อต่อไปคีาเรียกว่าวสักขะเนี่ยนะวสัขะวสัขะที่แบ่งออกเป็นสองคือคืออะไรปริจาควสัขะกับปักขันธะวสักขะเนี่ยนะคำว่าบริจาคคือบริจาคตัวเนี้ย ก, ก, ก็ก็สละนะคือถ้าจาคก็แปลว่าสละนะปริแป ล, ปลว่ารอบไ ม, ไม่เอาอีกแล้วนะเอาแบบคีาเรียกว่าแบบไม่อะไรอาวลเลยอะ่ะ ต้องการจะบริจาคแต่บริจาคในที่นี้หมายถึงบริจาค ก, กิเลสนะพาะการละกิเลสด้วยตะทางข้าประหารในขณะวิปัสนาและก็สมุดเฉทดข้ประหารในขณะในขณะมักส่วนปักขันธะนเนี่ยเล่นไปสู่นิพพานโดยการน้อมไปในนิพพานในขณะวิปัสนาเนี่ยนะโอนไปหานิพพานแล้วก็ทําให้เป็นอารมณ์ในขณะมักพร้ะเจริญกุศลธรรมเนี่ยมุ่งสู่สิ่งเหล่านี้นะ รตรงนี้ท่านใช้คําว่าชันทะสมาธิประธานสังขารที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะถ้าที่อื่นๆเนี่ยจะมีอีกหลายชื่อคือเช่นเจริญสัตทินรียอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะจากนั้นเจริญอินรีใช่ไหม มีกลุ่มหนึ่งคือเจริญโพชฌงบอกว่าเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละอันนี้อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เจริญอะไรเจริญพละหรือเจริญองค์มร์เนี่ยนะเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นกลุ่มโพธิปักขียธรรมเนี่ยจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะก็มีหลายหลายอย่างให้ให้เราคิดเนี่ยนะให้ไม่คับแคบ เอ้นี่ถ้าเรียนอย่างนี้มากๆนะเป็นลูกหลานของพระมหากัะจยายนะสบายเลยใช่ไหมสิ่งย่อๆก็จะขยายพิสดารได้เหมือนกันนะเนี่ย